หยาบหอย่างเราท่านทั้งหลายอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย อ, อะไรไมนรู้ที่ถมเข้าไปเนี่ยอย่าเาราซากสัตว์แล้วเขาไปถมเลยว่างั้นเถอะเต็ไมไปด้วยซากสัตว์มีประการอะไรต่างๆและในเนี้ยเพราะในร่างกายของเทวดาไม่มีตระกูลหมูหนอนนี่แต่ในร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี่มีสัตว์นาน า, นาชนิดใช่ไหมเ ช, ชื้อโรคต่างๆสัตว์ต่างๆเต็มไปหมดยั่วเยี่ยมไปหมดมันกําลังสืบพันธุ์กันกําลัง ผสมพันธ์กันพยายามถ่ายวิจารณปัสวะเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของมันเยอะแยะไปหมดเลยนะก็คือยั่วเยี่ไปหมดเลยในผิวก็เต็มไปหมดในผมในขนในเล็บในปันเนี่ยเต็มไปหมดในสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นเลยอกมันเข้ามาแทะมาแกะมากินเ้าจะบอกลองดีลองตายดีเนี่ยตายขนาดปิดไว้นั่นนะนะเข้านะเข้าตัวหนอนเต็มไปหมดเยอะมันเกาะมาจากข้างในอ่ะ พรา ม, มีอาหารก็เริ่มกักกินกับกินมานะเข้ามันก็ตายไปกับเราเนี่ยขาออกมาจากโรงไม่ได้เพราะปิดไว้แน่นเนี่ยตายเกลื่อนแล้วเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเฉพาะตามองเห็นได้เป็นหมื่ น, ออนไอพวกตระกูลหนอนนะนอนทั้งนะั้นไอที่มันตายไปเลยอีกยี่หมื่นแปดหมื่นตระกูลนะ่ะ<ต>นั่นแหละก็ขาดใจออกมาเลยนั่นหนหะมันจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไร จ, ะจริงหมดเลยนะจริจริงนั่นแหะ ฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เราอยู่กับตะกูลหนอนทั้งหลายเนี่ยก็คือสัตว์ขันห้าเต็มไปหมดในร่างกายนี้ในกเกะเรวะเนี่ยที่เต็มไปด้วยเนี่ยากสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันกำลังประสมพันธุ์กันก็อยู่ในนี้ยส่งพันธุ์กันอยู่แล้วก็ถ่ายอุจาระปัสสวะกําลังกินอาหารกําลังกัดกันทะเลาะกันเป็นเรือนเกิดเป็นเรือนตายเป็นช่วงเป็นโรงพยาบาลมันเต็มไปหมดนเนี่ยนะก็คือโลกโลกของโลกใบหนึ่งของเขาอ่ะ ถึงบอกว่านี่ไงสิ่งที่ก็คนโง่เท่านั้นแหละที่มัวยินดีเพลิดเพลินในกายนี้แต่คนมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาบรรลุธรรมเป็นผลเลยก็ไม่มาอะไรอวรบนี่เราไม่รู้ความจริงในข้อนี้ไงไม่รู้ความจริงในข้อนี้มันก็เลยบอดกันอยู่เนี่ยเนะถ้ารู้ความจริงว่ า, วาจริงหรือพระเจ้าจัดเนี่ยใช่ไหม ต้องไปวิจัยดูพ อ, อกล้องมาสองดูไปวิจัยดูโอ้เห็นข้าจริงอะไรเ น, นี่ยเห็นตั๊บเดียวลืมอีกแล้วโมหาก็ปิดไม่เป็นไรวะแม่มันก็อยู่แล้วก็อยู่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมนั่นก็นั่นก็ก็หลงอยู่กันไปแต่เห็นอย่างเงี้ยยังอยากจะเลี่ยงกายนี่อยู่ต่อไปไหมเอาไม่อยู่หรอกมันคับไม่ได้หรอกพั ง, งหมดจริงไหมเยอะบางนไม่รอด มี ห, หลอดเท่าไนะนี่นพี่เจรนาเนี่ยรัตนาอย่างนี้แล้วพระพุเจ้าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเนาะกล่าวด้วยย่อข้อปฏิบัติมีเบียงเท่าไหรที่ภิกษุชื่อว่าน้องไปแล้วในธรรมที่สิ้นตัญหาไม่ใช้คาว่าตัณหาสังขยาวิมุตินิพานังการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหาเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยท่านใช้คําว่ามีความสําเร็จร่วงส่วนอัจจันตานิฐะสําเร็จเนือง ก็หมายความว่าสําเร็จร่วงส่วนในที่นั้นคือการพ้นทุกนั่นเองนะมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบร่วงสุวกิเลสเครื่องประกอบในที่นั้นก็คือเกี่ยวในเรื่องของโยคะการมโยคะเพราะว่าโยคะทิติโยคะวิชาโยคะก็คือพ้นจากตัณหามาณทิฏฐิอจจันตายโยคะเป็นธรรมจารีร่วงส่วนอจันต์ตาธรรมจารีเป็นพรรมจารีเป็นนิดเนี่นะพรรมจารีเป็นนิสก็เป็นผู้ที่เข้าถึง เขาถึงความพ้นทุกข์มีที่สุดร่วงส่วนอัจฉริยะปริโยสานะมีความจบลงนะมีความจบลงเมื่อผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเศธโถเทวามนุษสานังผู้สูงสวดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระบรมศาสดาพุทธยาตรัสบอกว่าดูก่อนจอมเทิพสูตรในพระทวีไนนี้สดับว่าสัพเพธรรมนานังกัินิณเวสัยทำทั้งหลายทั้งปวงเนะ ไอ้ตรงเนี้ยจอบเอามาพูดกันบ่อยเหลืเกินทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดปั้นถือมั่นเนี่ยทำในที่นั้นคือขันอายตนาธาสัจญาอินอรีย์เป็นต้นหรเนี้ยนะปฏิจจาวเป็นต้นเนี่ยไม่ควรยึดมั่นข้อนี้ภิกษุได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าก็หมายความว่าขันรูปเวทนาทัญญาสันฐานวิญญาณเนี่ยควรยึดมั่นไหมจากขุสุตากาณะจิวหากายะมโนรูปอารมณ์สตารมิตเป็นต้นหรเนี้ย ทำทั้งปวงไม่ควรยึกมั่นภิกษุย่อมรู้ซึ่งรู้อย่างยิ่งซึ่งทำทั้งปวงนะอภิชานาติยาตาปริญญาตรงเนี้ยคาว่าภิกษุย่อมรู้ซึ่งทำทั้งปวงรู้ยังไงรู้แบบยาตาปริญญาโห้เธนี่วิจัยเยอะเลยอะไรควรรู้ยิ่งอะไรไปที่รูปควรรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารมีอยาณควรรู้ยิ่งตาก็ควรรู้ยิ่งหูก็ควรรู้ยิ่ง จมูกลิ้งกายใจคนรู้ยิ่งรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสเราทำมาลงเมื่อคนรู้ยิ่งจักขูประสาทใช่ไหมรูปารลมจักขู่วิญญาณคนรู้ยิ่งมิตรเอาคนรู้ยิ่งแบบไหนยาตาปริญญานี่แบบไหนรู้ลักษณะของรูปจิตของรูปอาการปรากฏของรูปปัจจัยของรูปนี่รู้ยิ่งแบบเนี้ยเวทนาก็รู้จักเวทนา รู้ยังเวทนารู้ยากเวทนายากิตของเวทนาการงานของเวทนารู้หรือยังยอมรู้อย่างรู้ไหมว่าเวทนากิตของเขาคืออะไรเคี้ยวกินเคี้ยวกินรสของอารมณ์ใช่ไหมธรรมชาติที่เคี้ยวกินเลยแล้วอาการปรากฏของเวทนาเป็นยังไงผลปรากฏอยากจะกลับวัดและอาการโอแต่ลดูเวลาแล้ว แต่อยู่เขาบอกว่าอย่าง น, นี้ถ้าอยากเป็นคนมีสติตั้งมัน่นก็ให้คบคนมีสติที <c oughs> เาา่เริ่มรู้แล้วใครกวครคบไม่ควครคบ <c oughs> รู้แล้วเริ่มรู้แล้วคือมาก <c oughs> เขาบอกถ้าอยู่ใกล้คนเช่นไรจะเป็นอย่างไง <c oughs> ถ้าไปคบไปอยู่กับคนที่หลงที่ลืมก็จะกลายเป็นคนที่หลงเวทนาเนี่ยนะเวทนานี้มันเกิดขึ้นใช่ไหม การปรากฏของเวทนาทั้งหลายเนี่ยสุขทุกข์และเวขาเป็นต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าสายการปัจจัยต่างๆที่ประชุมเรื่องเวทนาก็เกิดได้เหตุได้ปัจจัยนี้แล้วปัจจัยของเวทนานี่ยภาษาคือเหตุใกล้อวิชาตรรกะกรรมเป็นเหตุไกลแล้วก็ยังมีปัจจัยเยอะแยะเบ็นเศจใช่ไหมที่เป็นปัจจัยเกิดเวทนากรรมก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาได้จิตก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาได้ อุตุก็เป็นปัจจัยเกืเวทนาเป็นต้นไนดะ้อาหารที่บริโภคไปก็เป็นปัจจัยเกืเวทนาเป็นต้นอีกเยอะแยะเป็นเศใช่ไหมรู้บาลลมเป็นปัจจัยเกืเวทนาได้ไห ม, มสัพทารลมกันตารลมลาสารลมบทถารมมัมต้องรู้จักปัจจัยของเวทนาโดยอาการะไรต่างๆนะท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าอภิชานาติยาตปริญญารู้จักเวทนารู้จักจิตของเวทนารู้จักอาการปรากฏของเวทนารู้จัก ปั จ, จัจหรือเชียรของเวทนาปั จ, จัยของเวทนานั้นกรณีถ้าเราไม่รู้อย่างนี้เราจะไปปฏิบัติอะไรจะปฏิบัติอะไรเราบอกว่าเหมือนเนี้ยทำไมาคุยกับพระบอกว่ามารักษาศีนต้องรู้จักศีนไถ้าถามว่ากิง่งศีีรังศีนคืออะไรจบเลยอยากกลับวัดนแล้ววันนี้เรา บอกว่ารักษาศีลมากี่ปีแล้วอ่ะใช่ัหมขนาดมันต้องรู้จักเขาจริงๆไงศีลเนี่ยนะศีลเน่ยศีลระนาเนี่ยเจตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลสํงวรก็ชื่อว่าศีลอวีติกมามคือการไม่กล้าร่วมก็ชื่อว่าศีลเจตนาของบุคคลผู้มีความจงใจตั้งใจในการที่จะพื้ปฏิบัติถ้าเต็มท่าคืข้อวัดเนี่ย เป็นต้นหรือการที่จะพื้ปฏิบัติในกรณีที่จะมดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นนั่นแหละเจตนาเหล่านั้นแหละเป็นศีลหรือเจตนาในการที่ต้องการจะประพฤติปฏิบัติเ응ช่นถ้าเป็นลูกต้องการจะปฏิบัติพ่อและแม่เป็นภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีเป็นสามีจะปฏิบัติต่อภรรยาพ่อจะปฏิบัติต่อลูกลูกปฏิบัติต่อพ่อพี่กับน้องปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเงี้ยหรือว่าสิทิกับอาจารย์อาจารย์กับสิทธ เราขอบพุทธเจ้าคนจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไรอย่างนี้เขาเรียกว่าวัดอันนี้เป็นเจตนาเป็นเป็นจารีชนวาริตาเนะี่เป็นข้อห้ามเช่นห้ามฆ่าห้ามรักห้ามเพราะพืชผิดในการเป็นต้นเจตนาสีอะไรเจตนาจิ่ศีลใช่ไหมเนี่ยยกตัวอย่างไปยาวเลยถ้าพูดศีลอย่างเดียวก็ามาคุยเรือ่องศีลกับพระมาสามวันกนเลยศีลเนี่ยก็คุยกันเป็นปีๆเนะย เฉพาะเรื่องศีลเนี่ยทุกวันยังเดินศีลกันไม่เป็นนะคุยเรื่องศีลแต่เราศีลมาเดินไม่ได้ในชีวิตจริงไม่รู้จะให้เกิดยังไงไปนั่งงี๊ ง, งอ๋อๆไปรับศีลเดี๋ยเสร็จกลับมาเรไม่รู้มันเกิดตรงไหนเกิดอย่างไรในขณะที่ศีลมีหรือไม่มีก็ยังไม่รู้ตัวอีกเนี่ยใช่ไหมเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งดีไหมเนี่ยไปปนกันไม่ดีตรงนี้ก็คือรู้จักเวนนะเป็นต้นไเนี่ยนะรู้ยิ่งอ่ะ ทำทั้งฟองคนรู้ยิ่งอ่ะแต่ว่าผมคนรู้ยิ่งไย ม, มผมขนเล็บฟันหนังเนื้อย่างอะา่ะคนรู้ยิ่งโดยยาตาบริยารู้จักผมรู้จักลักษณะของผมขนไหมรู้จักว่ากิจของเขาอาการปรากฏเหตุกลร์เหตุกล้ปัปจจัยของเขาต่างๆเนี่ยต้องรู้เช่นว่าผมเนี่ยประกอบไปด้วูปอะไรบ้างดินน้นาําไฟลมสีจินรดโอชาธาตุยางไง ในผมแต่ละเส้นเนี่ยมีดินอยู่ในนั้นไหม ม, นะมีน้ํามีไฟมีลมอยู่ไหมเมื่อดินน้ำไปลมประชุมกันอยู่สีจิตรถวิชาธาตุก็ทจะมีแล้วมีมีธาตุไหมบอกว่ามีธาตุที่เกิดจากกรรมก็อยู่ในผมเนี่แนะหะมีธาตุที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตูเกิดจากอาหานต์อยู่ไหมก็มาประชุมกันอยู่เห็นไหมมันมาจาทั้งสี่ปัจจัยได้วยกันไหม มาประชุมเรามาจะ ก, กรรมเป็นปัจจัยมาจากจิตเป็นปัจจัยมาจากอุตุแล้วก็จากอาหารเป็นปัจจัยมารวมเรียกว่าผมดังั้นผมมันไม่เกิดขึ้นมา ล, ลอยมันเกิดจากปัจจัยมีปจัจจัยอะไนี้ผมเมื่อเกิดขึ้นหมดปัจจัยผมก็หมดนี่นต้องรอบรู้อย่างเนี้ยถ้าจะเจริญนิพพ า, า, านนาสมาธิปัญนาต้องถอนผมมาใส่แล้วก็ ม, มานั่งมอง มดินน้ำไปลมสีกินรถโอชาท่าต้องม็ปัจจุบันอารมณ์นี้ป่ะต้องอย่างนี้ป่ะแล้วก็ต้องปัจจุบันน่ะทำไมต้องอย่างนี้ทำไมไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าถอนผมมาใส่่างมือแล้วก็ผมต้องดูเป็นปัจจุบนันเดี๋ยวจะรู้จากปัจจุบนันมันจะไม่ได้เข้าใจยังไงเนี่ยมันเรื่องการวิจัยเการรอบรู้ อมันต้องวิจัยมันต้องรอบรู้เดี๋ยวกลัวไม่ทันปัจจุบันก็ต้องเอานงินไปหยิบมวยนู่นใส่ไปเลยเลยแต่รกลัวจะปฏิบัติันรู้ผมหมดหัวเลยไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเอามงคลไม่ไม่เจอหน้าดานแล้วขนหายไปที่หมดเอาก็ะอนมาวิจัยไม่ใช่อย่างงั้นยุ่งคนตรงนะอาจารย์<ะ>คนตรง บอกดูลูกนามก็กรูปมาดูจริงๆนางก็เขียนชื่อาวนางก็จริงนาคือนยบอกดูลูกเก็รูปเขามาดูดููปดนางออเพื่อนครับวาใจก่อนดีว่คนตรนะอาจารย์ประค่าผมมันิจัยเนี่ยเป็นผมะไม่ได้ทาแบบนั้นใช่ไหมจริงๆเรื่องการความรอบรู้การวิจัย ก็เหมือนว่าต้องการอยากจะรู้ความทุกข์ของหนอนเนี่ยจะทํายังไงไปเกิดเป็นหนอนในช่วงก่อนโอ้ย่งเลยย่งเลยหนึ่งอย่างแต่ก็เลยเาหายไปไหนล่ะน่นแหละอธิษฐานไปเกิดเป็นหนอนอยากจะรู้เป็นองรู้ว่านอนมีทุกข์ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติมันต้องการต้องรู้รู้โดยไม่ต้องไปเป็นมันเคยเป็นมาหมดแล้ว เพียงแต่ว่าเราจะทำํำยังไงที่จะไม่กลับไปเป็นอีกไปไหมใช่ไห ม, มเอางี้ที่เขากําลังขัดแย้งกันต่อสู้กันแล้วอยากจะรู้ว่ามันทุกข์ยังไงเราก็เข้าไปขัดแย้งกับเขาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องทําอย่างนั้นี่ยุ่งอเลยอย่างเงี้ยไมไไ่ใช่ข้อปฏิบัติใช่ไหม ก็สะเพธรรมานารังอภินิเวศายาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้แก่ขันในยะตะนาธาสัจจะเป็นต้นเล่านี้เนาะทำทั้งปวงควรไม่ควรยึดมั่นเนี่ยพิจารทั้งหลายอ่ะควรรู้ยิ่งทำทั้งปวงเหล่านั้นด้วยอภิชานาติยาตะปริญญานะ่ยและควรรู้ยิ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นโดยการกําหนดรู้ทำเหล่านั้นโดยปริชานาติติรณปริญญาก็ต้องรู้เลยเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นโรคปีเอาสี่อโตมาพิจารณาเอาสีออ่ะ เรมแต่ น, นิจะโตทุกตัวโรคาโตเป็นตัวอะไรตามดับนั่นแหละนั่นแหละพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงวินทุกเป็นอนัตตาคืออย่างนี้ทั้งสี่สบสองพิจารณาอันนี้จังก็ได้4ีบสพิจารณาทุกขังก็ได้42พิจารณาด้วยความเป็นอนัตตาก็ได้ไม่ต่างหมุนได้หมดเนี่ยถ้าเข้าใจจริงจะเป็นอย่างนี้นี่สรุปให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดที่สุดที่มากไหลายรอบเอามาดูมาหมดแล้ว วิธีปฏิบัติปฏิบัติแบบนี้นะเขาวิจัยยันแบบเนี้ยวิจัยลักษณะนี้เนี่ยพวกเราจริงๆมีบุญนะไม่ต้องไปนั่งอ่านไม่ต้องไปนั่งร้องความเข้าใจไม่ต้องไปปฏิบัติใช่ไหมเขาเรียกว่าคนทําบุญไว้ดีแต่เพ่ยงนี้แต่นี่ที่แต่ความเพียนหย่อนไปหน่อย ใช่ไหมไม่ค่อยมุ่งมั่ น, นตรงเนี้ยตัวเสียตรงนี้แหละทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะที่บอกว่าขั้นกําหนดรั้วพุทธธรรมเหล่านั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกขัตาเป็นต้นแล้วเธอเธอได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกขมสุขก็มา ด, ด, ดีนะเธอก็พิจารณาแล้วแต่เนี้ยถ้าพิจารณาให้ตามความเป็นจริงด้วยกิรนาปริญญานีพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงอั น, นิี้จารุกปศีก็จะเกิดนะ เอแปลว่าบุคคลนั้นน่ยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงอ่ะแล้วก็พิจารณาโดยความคลายกําหนัดคือเวราคานุปัสีสีเป็นชื่อของบุคคลนีพิจารณาโดยความดับก็คือนิโรธานุปัสนาพิจารณาความสลัดค้นก็คือปฏินิสคานุปัสนาเนีนุปสีเนี่ยเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่แล้วก็พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงอันนี้จานุปัสีพิจารณาเห็นคลายกําหนัดเวราคาพิจารณาเห็นความดับนิโรธาพิจารณาโดยความสลัดคืน ในเวทนาทั้งหลายนะั้นอยู่ปฏิมิสการนุปสีดังนั้นแล้วย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกนะกินจิโรเกุปาธยตียเมื่อไ ม, ม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันนะปริตตสติเมื่อไม่สะดุ้งหวาดวันย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตัวมีปัจจันตัญจยเยา ว, วปรินิพายติดับได้เฉพาะตัวนะ และทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมาจารย์หยุดจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีก็คือรอบรู้ว่าเวทนา เ, นเป็นทุกข์รอบรู้ว่าเหตุให้เกิดเวทนาเนี่เป็นทุกขสมมุทยัยรอบรู้ว่าความดับเหตุของเวทนาและดับเวทนานั้นเป็นทุกขนิโรธรอบรู้ว่าปฏิปทาให้เข้าถึงนิโรธเป็นมรรคก็รู้สมาทิฏฐิสัมมาสังกปะปนั่นเอง สมาวิจาสมากรรมฐาสมาชีววสมาอวยมารสมาสติสมาสมาธิเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ดูก่อนจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าน้องไปในธรรมที่สิ้นตัณหามีความสําเร็จร่วมส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเครื่องประกอบร่วมส่วนเป็นพรหมจารีร่วมส่วนมีที่สุดร่วมส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้น เาสกะจอมเทพชื่นชมบาสิตของพรวกรมศาสดาแล้วถวายที่ว่าพระพุทธเจ้าแล้วประทับประทักษิณแล้วก็หายว่บไปเลยนี่นะหายไปแล้วพท่านฟังธรรมจากพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปฟังธรรมจากท่านตอนนี้ท่านเป็นท้าสกะอยู่ในชั้นอดุสิตเออไม่ใช่อีกชั้นดาวดึงก็ใช่ไหมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพระสสดาบันด้วยท่านเทียนใจครองใช่ไหม วารู้คาสอนฟังฟังพระริจาวมาเยอะมากถ้ารับปรารถนาจะฟังทำอย่างท่านก็เป็นเป็นปริจาริกของท่านก็ได้สมมติติภูณีย์ว่าเป็นฆราวาสนะแต่ถ้ากรณีอย่างเอครานี้ก็ข้าวปรารถนาเป็นเทพปรารถนาพ้นทุกข์เลยที่จริงค่อยปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ยอันนี้พูดเพื่อให้ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสวรรค์ต่างๆมีพารุยะเต็มเลยอันนี้ก็ วเวทนาจบแล้วนะอ้าวมีใครสงสัยเรื่องเวทนาสอบถามเวทนาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็ไปจิตาโนปัสสนาเอ้าอาทิตย์ต่อบปวนที่เลยท่านเทวดาเวลาลงฟังธรรมเทวดาเทวดา่อ๋ออยู่ที่ท่านใจที่ฐานอยู่ที่ท่านใจที่ฐานคือบรรดาเทวดาทั้งหลายเวลาท่านมาฟังธรรมเนี่ยท่านเป็นกายละเอียดใช่ แลนะท่านจะมีความลึกท่านจะท่านสามารถอยู่ในที่ที่ที่ที่คือท่านมากันได้เยอะโดยเฉพาะถ้าเท้าสกาวมาแต่ละทีจะยกพลเรนามาเต็มหมดเลยถ้าจะเกลี้ยงเราเลยว่ากันเต็มมากันเลยคือพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเป็นนินเสด็จไม่ใช่มาเฉพาะเท้าสกาวนะเวลามาเฝ้าพระเจ้าในช่วงเวลาตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนไปเป็นต้นเนาะ สว่างสวัยประชาชนในยุคนั้นน่ะแตกตื่นเหมือนแสงดวงอาทิตย์มาโผล่ขึ้นกลางวันกลคลคืนระหว่างนั้นเหรอเห็นวงเห็นบางทีแล้วแต่โดยมากก็ไม่มีใครกล้าไปพราเวลานั้นมีใครกล้าเข้าเฝ้าผู้ดีญาติเราตอนคืนเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าเป่าุู้เจ้าเนี่ยเข้าเป้าดียากก็มีเวลาไม่ใช่ว่าสเปรสปาที่เข้าเป้าอะไรก็ได้วิชัยยากมากพี่เจ้าเป็นดีนยังเฝ้าเปายากเห็นไ พระเจ้านดินในประเทศไทยก็เป้ายาอันนี้ค่ะพระเจ้าแผ่นดินในชั้นดาวดึงแล้วก็ น, นี้พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ะเทวดายิ่งยากกว่าพระเจ้าแผ่นดินอีกนะเนี่ยเนี่ยก็พี่เจรนา น, นี้ฉนั้นเทวดาในยุคนั้นท่านก็ฟังธรรมไงพุทธเจ้าก็พระเจ้าเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณมากขนาดเทวดาถามหนึ่งอักขรก็ตอบหนึ่งอักขลาก็ตอบเกลี้ยงเลยมีพระมหากรุณามาก ถามแค่หนึ่งอักขระก็ตอบหมดแล้วตอบได้บรรู้ด้วยนะบางทีมาถามอะไรชื่อว่าหนึ่งอะไรเงี้ยจะตอบเนี่ยนะที่นะ พ, ทพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาธิคุณมากเป็นบุญนักหนาแล้วที่เราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสฟังพระธรรมขงท่านได้มีโอกา ส, าานกาสในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมงท่านนะินึงแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะมารักษาศีลมาขัดเกลามาไข้ควรมาประพฤติปฏิบัติใช่ไหม ชีวิตมันไม่มีความแน่นอนหรือจะแตกต่ำอะไรยังคนอย่างนั้นในยุคที่เราได้มีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้มีโอกาสอภิธรรมครับสอนอนุ้ยญาณมาเดินมาไข้ควรมาพิพจารณามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเป็นปัจจัยในการพ้นทุกข์ด้ยแล้วนี่ยดังน้รีบฟังทำเถอะตอนนี้หูยังไม่หนวกเนาะใจเรายังสามารถที่คิดคําสอนได้สมองยังไม่ฝ่อปัจจัยเรามันมันเสี่ยงทุกตัวเลยอ่ะตาจะบอดวันไหนก็ไม่รู้หูจะหนวกเมื่ อ, อไรก็ไม่ทราบ ใจเรามันจะมืดมิดรึงโมหะมาปิดสมองจะฟอมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เราจะคิดคําสอนได้สักกี่วันนั่เรามาประมาทไม่ได้นะที่ในอดีตที่ผ่านมาเราประมาทเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรแล้วดูสิไม่เป็นไรที่ไหนติดสังสารวัฏกันอยู่เนี่ยออกไม่ได้แล้วออกจากวัดตายไม่ได้หน้ากลุ้มกันจะตายใช่ไหมแล้วก็มารับรู้เรื่องอะไรกันไม่รู้ถ้าเราไม่มีเราไม่ยินเราไม่เกิดนั่นเราจะไปรู้ไหมเรื่องแบบเนี้ ใชเราจะมาต้องตกทุกข์ได้ยากไหมในส่วนจริงสภาพบ้านเมืองนี้เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรก็เพราะกิเลสในใจของมนุษย์มันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นใช่ไหมคนก็ไปแย่งวัตถุกรรมกันไม่มีใครแย่งบุรียพานกันเลยใช่ไหมไม่มีเลยตำแหน่งพระเจ้าไม่มีใครไม่มีใครชิงกันเอาดีแน่จริงเลยมีความสามารถจริงปราถหาเป็นพระเจ้าบางสาวกของพระเจ้าบางมปต้นเนี่ยแล้วก็เล่งทําความดีไม่มี เพราะใจบุคคลในยุคนี้ใจบอดเยอะเพราะรรทำเข้าไม่ถึงแสรกไม่ได้แสงพระธรรมยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเหล่า น, นี้ก็ปิดโอกาศไม่แสงเหล่านั้นรอดเข้าไปถึงใจงขในส่วนจริงก็มืดนิดเห็นการฆ่าตีฟันกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วถ้าพวกนั้นไปเห็นไปเห็นสัตว์มนุษย์โดยการเราไม่ใช่พวกเราต้องกำจัดใช่ไหมขนมี่าสาันตอ่ะ เป็นเห็นเป็นเนื้อเห็นเป็นสัตว์ป่าเห็นไหยเป็นยุคที่น่ากลัวแล้วนะข้าวนะข้าก็จะมีตูมตามบรรทบบานลงเมืองเนี่ยนะนี่ยุคนี่มันยุคอะไรอ่ะเป็นยุคคนเหงวัดวารามเต็มไปหมดแล้วพระธรรมแทรกถึงใจไหมนี่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการเผยแผ่พระธรรมล้มเหลวล้มเหลียวแล้วบ่งบอกถึงว่าอะไรกันมาเห็นไหมโพรวัตถุกรรมเข้ามานี่เราท่านทั้งหลายก็นั่นแหละ ใช้ละครใช้ทีวีเป็นตัวกล่องเราแล้วสุดทิ้งเป็นยังไงเนี่ยที่ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยังไงก็มีการติดวัตถุกรรมเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็แย่งชิงกันขัดแย้งกั น, กนทะเลาะกันใช่ไหมนี่สุดที่อิสามอลชริยะมากเึย น, นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยการขัดแย้งนเนี่ยตรงเนี้ยเราก็มาเรื่องเขคิดว่าตอนเนี้ยเราต้องทํำยังไงต้องเร็งขัดเกลามันนอนหลับอยู่ไม่ได้แล้ว เราอย่าไปคิดว่าโห๊ยพวกนี้เดี๋ยวก็หาแก้ไขได้แก้ไขได้ยี่มะเดี๋ยวพวกนี้ดีขึ้นพวกนี้เนี่ยแย่ลงมนเลนยยี่มะแล้วถ้าเราก้าวข้ามมันไม่ได้ก็ติดถ้าเราก้าวออกตรงเนี้ยไอ้ไอ้ตัวเนี้ยนะมันเป็นมันเดดล็อกไอ้ตัวมันล็อกตายอย่างเนี้ยถ้าเราเราไม่สามารถจะก้าวขึ้นจากหล่มเนี้ยน้งคมเราก็กลายเป็นน้ำพงรุนแรงเช่นชาวพุไม่มีสติ ในการนี่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเอาอดีตมาบวกในปัจจุบันเนี่ยวันเราจะก้าวข้ามมันไปได้เองเลสังคมรักษณะเนี้ยมันมันไม่มีมันไม่เอาคนที่มีวัญญาทั้งหลายไปไปชี้แจงจริงๆน่ยมันสามารถจะก้าวข้ามมันได้มันต้องเรียนรู้มีสติสบับปัญญาใช่ไหมสิ่งต่างๆอย่านีน้ถ้าคนส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยมันเยอะมันเยอะปวดเนี่ยถ้าเราตั้งสติเป็นในการที่เราจะเดินข้ามมันให้ได้ จริงๆมันข้ามได้ไหมเนี่ยแต่จริงๆว่าถ้าเราเกิดไปเลือกข้ามมายุ่งเลยมันจะซวยเลยนะเ น, นี้ยแล้วตอน้ำข้าวเาไปติดอยู่ในหล่มเนี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องขึ้นอยู่บนภูใช่ไหมดูลงมามันจะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีใครให้สติกันเลยในยุคนี้นี่จะกล่าวว่าไอ้นั่นสิดนั่นถูกไม่ทางแก้ปัญหาอะไรเลยแก้ปัญหานี่นะนี่เขาเรียกว่า สังคมที่ขาดปัญญาเพราะสังคมไทยนะั้นไม่เน้นปัญญาไม่เน้นปัญญาไม่เน้นการรอบรู้ที่บานมาในาการศึกษาล้มเหลวล้มเหลวให้ลูกแย่ดูดดวัยรุ่นเนี่ยนั่งรถเมล์เไม่ไดูดหนังสือเนี่ยถ้ารถแรงจักรเอากระจกมาบานหนึ่งก็มาแต่งหน้าเล ย, ยนึกยังนี่บ่งบอกทิงอะไรสังคมไทยไม่ได้เน้นหนึ่งการศึกษา ก็เหมือนการปฏิบัติทางพื้นศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เน้นข้อเรียนรู้อะไรกันเลยใช่ไหมเน้นเน้นไม่ได้เน้นข้อเรียนรู้เน้นเน้นผู้นําเน้นอาจารย์อย่างเนี้แล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงนะกเข้านักเข้ก็เตะกันอยู่เนี่ยแล้วก็ออกอย่างนี้ไม่ได้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดเนี่ยแล้วเราต้องเราไอ้ไอ้สภาพที่ว่ามันเข้ามามันต้องเรียนรู้แล้วก็คําสอนพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่เรากับ มันมีสิ่งดีสิ่งที่ประเสริฐแต่เรา เ, า, เาเอามาใช้ไม่ได้เนี่มันนา่ามันนา่ามันน่าคิดก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดและแก้ปัญหาได้ทุกระดับแต่เราเอามาใช้ไม่ได้อันนี้บอกบอกถึงความไม่ฉลาดของเราและการละเลยคำสอนทีนี้เราก็ตั้งสติให้เองจะไปเลือกข้างเรายุ่งก้าวข้ามมันไปไม่ได้เราจะไปสู่สังคมที่ดีได้ไม่ได้มันได้เป็นความฝันเลยใช่ไหมสังคมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ได้มาด้วยความ ยิปอย่างเราก็ต้องมีสติฉุกคิดแล้วว่าใกล้ตัวแลวยเราจะเล็งการกล่าวตัวเองใช่ไหมมันเป็นอาสาทะและเป็นนิยามทีนะว่ามันมีโทษใช่ไหมแสดงให้เห็นชัดว่าการมาเกิดอีกแย่เนี่ยแย่นีินี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเราแล้วนี่ต้องคิดน่งต้องคิดกว้างมองไกลแล้วใช่ไหมต้องคิดวางแผนในการเดินทางแล้วแล้มานั่ง ไม่คิดอะไรไม่วางแผนในการที่เดินทางเนี่ยเสียหายเนี่ยถึงนี้ก็ต้องชุบชีวิตว่าอะไรมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราจะทําอะไรเป็นสภาพสัพงคมลงทุนอะไรเจงหมดช่มั๊งไปไม่รอดค่ะนี่เป็นสภาพและในบรรยากาศในในเรื่องนี้เขาเรียกบรรยากาศตรงเนี้ยท่านในทางคำสอนก็บอกว่าถึงวาระหนึ่งใช่ไหมผู้คนจะขัดแย้ง และก็ถึงจริงๆด้วยเมื่อถึงวาระที่ขัดแยง้งแต่จะถึงอีกวาระหนึ่งนะที่ขัดแยง้งยนถึงขนาดไม่สามารถเจริญบุญชนได้แต่ตอนนี้ยังเจริญได้ไหมถ้ายังเจริญได้ก็ระดมความเพียรทำสตินซีวารนินซีสติงซีสมาธิซีปัญญซีก็ใช่ไหเพราะเวลาหนึ่งมันจะเจริญไม่ได้แต่ตอนนี้ยังยังสามารถต้องรีบไ้ม ไม่ใช่ดีกลับบ้านเปิดทีวีดูข่าวไม่หลายที่มันแคไม่มีระบบไก่ามันวุ่นวายกันไปหใช่ไหมตรงนี้ต้องเล็งดีเตรงนี้ก็ยังดีอาจารย์นะตั้งกตบอว่าคุณอาจารย์มากที่เมตตาตั้งใจที่ให้ธรรมะพวกเราอย่างจริงใจแล้วก็รู้สึกจะตั้งใจมากกับผู้รับเป็นผู้ให้ที่ตั้งใจิอาจารย์ให้ตั้งใจแล้วก็ไม่ขาดเลย ผรก็อาจารย์ต้องเ็ตตามบ้านใหม่นะอย่าเิ่งทิ้งไปก่อนอ๋อเดี๋ยวอดทิศก่อนเอาว่าตัณหาตัณหาก็แปลว่าความทยานอยากยาบอกอายันและอายันนี่แหละกระุูกตองอะไรทำไมอ๋อก็ความทยานอยาก ก็คือตัณหานั่นใดนั่นเอง